Book 2ูเก้าสอนุประโยครองลงมาที่สองเฟียลีนันต์สวีทต์เซไม่เชื ผมโมโหที่คุณนอนกรนผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากผมโมโหที่คุณมาช้า มั nervozon q ้อนช่ ว, เวยเย็ผมคิดว่าเขาต้องการหมอเบสไซคั e เ i โวยพรหมแยกเบสไซมแยกผมคิดว่าเขาไม่สบาย o j se a i ë ซอ t ë i sëmur ูร์แมนดยยอดนนดยเซอีอัชติสมูร ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่เเราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเราเราหวังว่าเขามีเงินมาก s h p r e s o j m ี่ต้องเกิดชุ่มพะร้าฉ r พรสไอมที่ต้องเกิดชุ่มพะเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านฉเพรสไอมที่มิลเ o n เนีย p r ฉ s o รสไอมที่เยผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุค o ทซ คำาร์ชกก u ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคำาร์แอผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน k a m to your เซ็มคินาโยเตอร์สปริชัลค m e o u r เผมดีใจที่คุณมา Gzom c h e r d t Gzohem h e r d e t ผมดีใจที่คุณสนใจ Gzom që k e n i i n t e r e s g ็จะเห็นเช่น i ี้อินเผมดีใจที่คุณซื้อบ้านก็ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วตูบอ ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่คำมาเ็กคำฟริกเซดูเฮตอมารเงินแทก็ ก, ทกซผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้วคำฟริคัมริมมซสคลิมดเ